เราจะเจริญกุศลศีลให้เกิดอย่างไรถ้าเราจะให้ตัวศีลมันเกิดขึ้นจะเกิดยังไงถ้าจะเชื่อมโยงจากทานกุศลศีลกุศลและภาวนากุศลอาจะทํำยังไงที่จะให้มันเกิดนี่ให้ถามเลยนะแล้วก็จะจะลองให้ฝึกเจริญสมมุตินะอาทิตย์นั่งอยู่นี่ใครเคยไปไหว้พระเจดีย์ไหมไหว้พระธาต เคยบูชาพระธาตุเค ย, ยไหมเคยเนาะเวลาถือเครื่องสักการะไปบูชาพระบรมสารีริกาธาตุเป็นต้นหรือบูชาพระพุทธรูปเป็นต้นที่เป็นอุเทนสิกาเจดีเวลาเราถือเครื่องสักการะไปบูชาเนี่ยเรารู้ไหมตอนที่เราถือแล้วเดินไปเนี่ยเป็นต้นเนี่ยเป็นทานกุศลเป็นศีลกุศลหรือเป็นภาวนากุศลรู้หรือไม่รู้รู้หรือไม่รู้ ถ้าเราจะไปไหว้พระเจดีก็ดีเคยไปไหว้ใช่ไหมล่ะออาไปไหว้พุทธรูปก็ได้ในขณะถือเครื่องสักการะเดินไปเนี่ยเป็นทานกุศลหรือเป็นศีลกุศลหรือเป็นภาวนากุศลอาเป็นยังไงต้องบอกมาเป็นศีลพราะนาเป็นศีลข้อไหน คืออย่างนีตอนที่พระบรมาาศาสดาสเสด็จดับขันธปรินิพา น, น <c oughs> ในวันที่ปรินิพานของพระผู้มีพระภาคเจ้าเนี่ยผู้ไดเจ้าก็ต่อมาพระพุทธเจ้าก็ตรัสเนี่ยบอกว่าดูก่อนอนนนทามและ ว, วินัยที่ตถาคตแสดงแล้วบรรัญญัติแล้วทำและ ว, วินัยนั้นจะเป็นาศาสดาของเธอหลังการล่วงไปแห่งเราใช่ไหมแล้วต่อมาพระพุทธเจ้าก็ ไปรับอาหารมื้อสุดท้ายจากนายจุนท่ากัมมะลบุตรนายจุนท่ากัมมะลบุตรก็ถวายอาหารอาหารนั้นที่เรียกว่าสุกรลมาทวะนนั่นแหละพระเจ้ารับอาหารนั้นเบ็ดเสร็จแล้วพระพุทธเจ้าก็บอกว่าดูก่อนจุนท่าอาหารนี้เธอจงอังคาดเราแต่ผู้เดียวมนุษย์เทวดามารพรมทั้งหลายไม่สามารถจะทําอาหารนี้ให้ย่อยได้ ตรงนี้ก็ตีความกันเยอะแยะทำไมจึงย่อยไม่ได้รู้ไหมโอชาหรืออาหารมื้อสุดท้ายนั้นน่ะเทวดาในหมื่นจักรวาล น, นำโอชาที่เป็นทิพย์มาผสมทำไมต้องทำโอชามาเป็นทิพย์ที่ผสมเพราะอาหารมื้อนี้เป็นมื้อสุดท้ายที่เขาจะได้ใส่บาทพระบรมศาสดา ทีนี้กระแสรูรปประกายของพระบรมศาสดาที่สั่งสมมาอย่างยาวไกลในสังสารวัตที่ประดับไปด้วยมหาภูริสาระขณะ32ประการและอนุปญชนะ80จึงสามารถรองรับอาหารที่เป็นของมนุษย์และเป็นของทิพย์และอาหารที่ปนได้ทุกจักรวาลได้แต่ถ้าเราท่านทั้งหลายเนี่ยเราเนี่ยไม่ต้องอะไรมากแค่ไปเจออาหารบางอย่างที่วิตามินสูงๆกกินก็ตายเนี่ยแต่พระพุทธเจ้าเนี่ยรองรับได้ และอาหารเหล่านั้นล้วนจะเป็นโอชาที่เลิอดฉะนั้นไม่ใช่ว่าพระบรมศาสดาฉันอาหารของนายจุนทธาทําให้โรคกําเริบแต่ด้วยการฉันอาหารของนายจุนทธานั่นแหละทําให้สามารถยังอัตภาพตนเองให้เดินจากปาวามาจนถึงกุสินาราได้จะได้เข้าใจว่าอาหารมื้อสุดท้ายนี่มีผลมาก เท่ากับอาหารมื้อแรกที่นางสุชาดาถวายข้าวมาทูปายาส49ก้อนแด่พระบระมา ศ, าศาสดาเมื่อฉันอาหาร49ก้อนเสร็จเบ็ดเสร็จแล้วก็ลอยถาดที่ริมฝั่งแม่น้นําเนรัญชลาถาดนั้นก็ลอยขึ้นเหนือน้ําไป82แล้วก็จมลงเนี่ยแล้วต่อมาพระบระมาศาสดาก็ข้ามอีกฝั่งหนึ่งมาอีกฝั่งหนึ่งข้า ม, มาอย่างไร เพราะบรมศาสดานั้นมีอภิน ญ, ญาห้ามีสมาบัตแปดฉะนั้นการจะข้ามน้ํามาเนี่ยมาด้วยฤทธิ์แต่ตอนนั้นยังไม่เป็นพระพุทธเจ้าเพราะเรื่องฤทธิ์เรื่องอะไรต่างๆเนี่ยการตา้ิฤนิดเดียวเนี่ยเกิดขึ้นเป็นง่ายได้สําหรับพระพุทธเจ้านะฉะนั้นการสั่งสมบา ร, รมีมาที่สุดจริงๆพระองค์ก็มาประทับนั่นแหละที่บริเวณโพธิมณฑลแล้วก็จากอาหารมื้อแรกนั่นแหละ ก็เป็นปัจจัยเกื้อนหนุนแก่การได้มาซึ่งสัมมาสัมปวียาและเห็นไหมได้มาซึ่งสัอุปาทิเสสานิปานธาตุคือการได้ดับกิเลสและยังมีอัตภาพคือขันห้ายังเหลืออยู่ต่อมาอาหารมื้อสุดท้ายที่พระบรมศาสดารับจากนายจุนทกามาลาบุตรบุตรของนายช่างทองที่ปาวานเจดีเนี่ยเมื่อรับเบสเสร็จแล้วพระองค์ก็ได้นิพพานเหมือนกันคือได้อนุ ป, ปาธาปริญนิพานคือการดับกิเลสพร้อมทั้งขันห้าโดยไม่มีส่วนเหลือ พระเจ้าบอกดูก่อนอานนท์ถ้ามีใครจะทาความวิปฏิสารให้เกิดขึ้นแก่จุนทะเธอจงบอกอานิสงส์ของ ก, การถวายทานสองประการ น, นะว่ามีผลเท่ากั น, นหนึ่งทานที่ถวายแต่พระตราคตได้สาวุปาธิเสสติพานคือคือกิเลสนิพพานกับอีกอาหารมื้อสุดท้ายที่รับแล้วไปเสร็จได้อนุปาทะ อ, อนุปาทาปริธิพานคือดานการดับขันห้า คือได้นิพพานเหมือนกันเป็นปัจจัยเกื้อหนุนต่อการได้พระนิพพานฉะนั้นผลจึงเสมอกันจึงเป็นผลที่เลิกต่อมาก็นายจุนท้าก็ไม่วิปฏิสาเลยมีแต่ปลาโมตรปีติปสัสสติสุขและสมาธิตั้งมัน่นไหว่าเป็นมุลยาลาบของเราแล้วเนาะเราได้ดีแล้วเนะทานของเราได้ถวายเป็นมือสุดท้ายเพราะท่านตั้งอธิยาายไว แม้เทวดาพรมทั้งหลายแม้เทวดาในหมื่นจั ก, กรวาลทั้งหลายก็นำโอชาที่เป็นทิพมโรโปโปยะฉะนั้นอาหารประเภทนี้จึงเหมาะแก่พระพุทธเจ้าเท่านั้นจึงไม่เหมาะแก่บุคคลอื่นต่อมาพระบรมศาสดาก็เดินจาริกจากป่าวานากรเนียแล้วก็พักแล้วยืกพักกี่ครั้งยี่สิบห้าครั้งถามว่าหนักไหมการแบกขันธภารักษ ก่อนที่จะนอนเป็นครั้งสุดท้ายผู้ริจ้าบอกว่าดูก่อนอานน์เธอจงปูร่ชสังคตินัเตียงบรรทมตรงนี้นะตถาคตเหนื่อยนักตถาคตจักพักจักนอนแล้วแปลว่าอะไรรู้ไหมบอกว่าอัถาคือบอกว่าสัตว์ทั้งหลายในสังสารวัฏเนี่ยตถาคตบำเพ็ญบา ร, รมีมายี่สิบประสงค์ขายยิ่งโดยแสนหมหากัปเนี่ย ต้องบำเพ็ญทานบรารมีศีลบรารมีเนกขั ม, มาะปัญญาวิริยะขันติสัจจะทิฏฐานเมตตาและเวขายี่สิบประสงค์ขายยิ่งด้วยแสนมหากับเนี่ยเหนื่อยมากนะขันทั้งห้าเป็นของหนักพระุทธเจ้ากล่าวมหาสังเวคาเพื่อให้สัตว์โลกทั้งหลายเกิดสังเวคาญาณนะ เกิดยานปัญญาจะได้สะดุ้งสะเทือนว่าพวกเธอทั้งหลายแบกขันธภาระกันอยู่อย่างนี้ทําไมไม่หนักแล้วไม่คิดอยากจะทิ้งกันหรือมันเป็นภาระหนักมากนะที่เธอจะต้องแบกขันธภาระจากพบสู่พบจากภูมิสู่ภูมิจากขันธสู่ขันธจากชาติสู่ชาติแล้วก็ต้องมาทนทรมานกับความเกิดความแก่ความเจ็บความตายความวิบัติพัฒภาคเนี่ยความโศวความล่ําไรลําพันธ์ไม่สบายกายไม่สบายใจความขับแค้นใจที่สุดจริงๆก็ ตรัสให้เกิดสังเวคะแล้วต่อมาพระพุทธเจ้าก็กล่าวตัดชิมโอวาสแล้วพระองค์ก็ปริญิาพานอยู่ไหมทีนี้พอปริญิาพานเบีดเสตร็จต่อมาเนี่ยพระหลังจากทําชา ว, าวรรณคดีเบีเสร็จแล้วพระนนท์ก็ร้องไห้เนี่ยต่อมาพระนนท์ก็จาริกที่ต้องการจะพูดเรื่องนี้เชื่อมโยงยาวนิดหน่อยพระนนท์ก็จาริกจากกุศินาราเพื่ อ, เ, อ, อเดินทางจากกุศินาราเพื่อจะไปที่สาวัตถี ระยะทางในยุคปัจุบันประมาณ400กิโลเมตรหรือถึง500ท่านก็เดินทางพร้อมด้วยสัตว์ที่วิหาริในช่วงนั้นเน่ะพอพระพุทธเจ้าปรินิพพานแล้ว7วันมีการเฉลิมฉลอง7วันแล้วก็มีการย้ายบรมศพจากที่ที่ปรินิพพานไปที่มกุฏพันธนเจดียแล้วก็ทำการ สรุปเบสเด็ดนะจนถึงทั้งตั้งบรมศพไปด้วยแล้วก็พระบรมศพของพระพุทธเจ้าจากที่ปรินิพานไปยังมกุฏพันธนะเจดีด้วยไปตั้งณสถานที่นั้นด้วยแล้วก็มีการเผาบรมศพที่พระมาหากสบตอนตอนที่พระมาหากระศบมาเนี่ยพระมาหาศบมาไม่ทันนะตอนนั้นพระมาหากระศบนั้นยังอยู่ที่ปาวานาครแต่ตอนนั้นพพระพุทธเจ้าปรินิพานแล้วได้เจดวัน ตอนนั้นเขากําลังจะเผาพระบรมศพกําลังจะเผาพระบรมศพแต่จุดยังไงก็ไม่ติดเหตุผลเพราะเทวดาที่เคยได้เป็นสัมาธิฐิได้เป็นภาริญะเนั่ยแหละที่ได้ฟังธรรมจากพระเถระแล้วได้บรรลุเนี่ยมีความประสงค์อยากให้พระมหากระสมมามาให้ทันไฟที่มันมันละกาปาโมกจุดยังไงก็ไม่ติดจุดยังไงก็ไม่ติดพระนุรุทธะเขาก็ไปถามพระนุรุทธะว่าเป็นเพราะเหตุอะไร ให้นุทศทาบอกว่าเป็นความประสงค์ของเทวดาที่ปรารถนาให้พระมาหากระสนมามาเฝ้าก่อนพอเฝ้าพระพุทธเจ้าก่อนต่อมาตอนนั้นพระมาหากสนอยู่ที่ปาวานนครตอนนั้นมีมานบถือดอกมณฐารพทําเป็นล่มกั้นเดินไปพระมาหากสนเห็นพอเห็นเบสเสจพระมาหากสนรู้ไหมว่าพระพุทธเจ้าปรินิพานรู้แล้วแต่ต้องการจะ ถามสังเกตดูไหมว่าเวลาพระมหากสสถามพระมหากสสนั่งกระโยงประนมมือประนมมื อ, มอขึ้นแล้วถามว่าท่านผู้เจริญตอนนี้ทราบข่าวท่านมาจากไหนออกมาจากกุสลยาลาท่านทราบข่าวพระบรมศาสดา ข, ของพวกข้าพเจ้าของขอ ง, ของอนามาหรือเปล่าทำไมพระมหากสสต้องประนมือคุยกับยอมหรือไม่ไม่ใช่เลย ด้วยความเคารพในพระบรมศาสดาท่านปารบเรียกพ่านนามของพระพุทธเจ้าท่านยังต้องบวมนมือเลยดุผ้าหันท่านทำไมทำอย่างนั้นท่านไม่ทาอย่างนั้นนั่นแหะด้วยความรักด้วยความศรัทธาที่เชื่อมั่นไม่หวั่นไหวในพระพุทธเจ้านะ mm hmm. พอมานพ บ, บอกว่าอะไรกันท่านภิกษุบอกว่าพระเถระวันนี้เป็นวันที่เจ็ดแห่งการปรินิพานของพระพุทธเจ้าแล้ว ที่จริงท่านทราบไม่ทราบพอพูดแค่เนี้ยพระที่ยังเป็นปุถุชนที่ยังไม่สามารถทําราคะโทสาม و ะในใจให้หลุดได้ก็ล้มประดุ ด, ดังคนเท้าขาดบาดและจีวรก็หลุดรุ่ยร้องส่วนพระที่เป็นพระริยาทั้งหลายก็ตามสถานะเนี่ยที่เป็นพระอทหารก็ยังสังเวหายาณให้เกิดขึ้นว่าพระบรมศาสดาปณิพนิพานเร็วนักพระตถาคตเจ้าปณิพนิพานเร็วนักเป็นต้น พระบรมศาสดาจะยังทรงพระชนอยู่จะเป็นไปเพื่อประโยชน์เพื่อกูลเพื่อความสุขแก่มนุษย์และเทวดาเป็นอันมากท่านก็ยังสังเวยฆาให้เกิดขึ้นแล้วก็เร่งรีบเดินทางในขณะนั้นก่อนจะเดินทางก็มีสุภาาัทวาุทเบันมะชตก็กล่าวจ่วงจ่าพระธรรมวินยัยบอกว่าท่านทั้งหลายจะมามัวเศร้าโศกเสียใจใดการปรินิพานของพระพุทธเจ้าดีนักแลต่อไปเนี่ยเมื่อพระบรมศาสดาปรินิพานแล้วพระธรรมวินัยก็หลุดไปด้วย ฉะนั้นใครใครจะทำอะไรก็ทำไม่ต้องไปวิตกขังวนใดๆตอนนั้นพระมหากระสอบก็สงบความสุดไว้ว่าเออแมมพอพระพุทธเจ้าปฏิินิพพานได้แค่เจ็ดวันอารัสชีพิขุก็ได้อุบัติเกิดขึ้นมาแล้วเนี่ยถ้าเราไม่เกรงใจว่าจะเป็นที่ครหานินทาเราจะจับภิกษุรูปนี้ถอดจีวร อ, ออกแล้วใช้ใช้ดินดำๆทาตัว แล้วก็ไล่ออกจากหมู่จากคณะแต่จักทาอย่างนี้ไม่ควรแต่เราจะาปาราบเหตุเนี่้ในการทำบทฐมสังขยาณ aje ไหมแล้วก็รีบจ่าลิกกันไปพอไปถึงที่มกุูดพันธ์เจดีที่กุสีธราไปเสร็จปุ๊บคนก็เตถามว่าตอนนั้นเนี่ยประชากรมามากขนาดไหนนับอย่างนี้นะตัวสาวัตถีเฉพาะตัวเมืองสาวัตถีในยุคนั้นเนี่ยนะมีพระอริยะบุคคลเนี่ยนะ ค, คือตัวสาวสถีนับเฉพาะตัวเมืองหลวงเนี่ยมีประชากรเจ็ดสิบล้านเป็นพ่ยายระญะบุคคลห้าสิบล้านกับอีกห้าแสนถามว่าคิดว่าระยะทางสี่ร้อยห้าร้อยกิโลเมตรเขาจะมาเฝ้าพระพุทธเจ้าไหมมาหรือไม่มาราชครื้ไม่ต้องพูดถึงประชากรตัวเมืองหลวงเก้าสิบล้าน นอกเมืองอีกเก้าสิบล้านร้อยแปดสิบล้านสรุปแล้วก็ถามว่าในกิจในในวันปฏิพัณฑ์ของพระบรมศาสดาเนี่ยเฉพาะพระอริยะอย่างเดียวเนี่ยนับไม่ได้ประชาชนนี่ชาคขํามไปหมดแม้พระภิกษุเนี่ยเฉพาะภิกษุที่เป็นสังฆเถรละนะเป็นมหาเถรละนี่นะเจ็ดแสนลูปหนึ่งหนึ่งมหาเถรละหนึ่งองค์ น, นีนมีสัตยุหาเรีกเป็นห้าร้อยก็มีนะ ฉะนั้นไม่ใช่ธรรมดานะในยุคก่อนเนี่ยอย่าไปคิดว่าเล็กๆอย่างที่เราเขาอย่างที่เข้าใจเนี่ยก็คราคร่ำพอท่านมาเบสเสร็จพอเข้าไปท่านก็ทําประทักษ์ศีลประทักษ์ศีลพระบรมศพของพระเจ้าที่อยู่บนลางเหล็กประทักษ์ศีลพอประทักษ์กศีลเบสเส ร, ร็จ ป, ปุ๊บแล้วท่านก็นเดินเข้าไปตรงพระบาททั้งๆตอนนั้นนะลางเหล็กปิดเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็เตรียมจะจุด พอจุดไฟเนี่ยเผาพระบรมศรพแล้วแต่เผาจุดไม่ติดพระมหารกระศก็เข้าไปกราบพอกราบตรงรางเหล็กตรงด้านพระบาทพอกราบไปเสร็จเนี่ะด้วยความเป็นอัศจรรย์นะนี่เป็นอัศจรรย์นะพระบาทของพระบรมศาสดาประดุจดังลายเต่าทองนี่นะงามมากที่ประดับไปด้วยมหาปูริสราขนาก็ยื่นออกจากรางเหล็กเย ได้เป็นความอัศจรรย์ยื่นออกมาประชาชนร้องไห้ละงมมากกว่าตอนบริสธิ์พันเนี่ยร้องเพราะได้เห็นพอท่านพระมหากสบร์รขอขอมาพระบรมสาตรตดถอยมาบาลสามสี่เก้านี่เป็นอมตะไฟก็ลุกติดไฟลุกอย่างเงี้ยเจ็ดวันเจ็ดวันแล้วครบเจ็ดวันเบ็ดเสร็จก็มีการฉลองพระบรมสารีริกธาตุอีกเจ็ดวัน เป็นยีิบเอ็ดวันนั้นรายละเอียดนัน้นนั้นนั้นยังไม่ได้กลา่าวแต่ประเด็นต้องคือกล่าวว่าต่อมาพระนนท์พร้อมด้วยสัตว์ที่วิหารลิขหลังจะประชุมเงินเสร็จแล้วพระนนท์ก็กลับเพราะว่าจะต้องรีบไปจัดแจงที่วัดเชตวันแล้วจะต้องมีการไปประชุมสังกายนากันที่กรุงราชคลีในระหว่างที่พระนรนท์เดินทางมาเนี่ยประชาชนที่กําลังไหลหลังหวนเต็มหมดเลยเจอพระนนท์เนี่ยปกติถ้าเห็นพระนรนท์จะเห็นบริหญิงไหมทุกคนก็ร้อง ข้าแต่ท่านพานนท่านเอาพระบรมาสาสดาของข้าพระเจ้าไปไว้ณที่ไหนดูสิแต่ว่าเขารักในพระเจ้ามากไหมเขารักมากพานนก็พอได้ยินครับอย่างนั้นพานนก็สะดุ้งแล้วเหตุผลก็คือพานนท่านยังเป็นพระโสดาบันเนะ่ท่านก็เดิน ล, ล้อมแลไปคือสอนคนไปร้องไห้ไปแนนนอง อ, งอย่างนี้นพอไปถึงวัดเชตวนันเบสเสร็จท่านก็เข้าไป ท่านก็เข้าไปไปเสร็จล้างหมดเลยโยมวัดล้างประชากรในสาวัถีเนี่ยล้างหมดบ้านช่องคนอยู่กันน้อยนิดเลยเข้าไปไหนกันนูน่นอุศีนาราเข้าไปเฝ้าพรธเจ้ากันผ้า น, นอนมาเสร็จเสร็จอวัดล้างหมดเลยเข้าไปที่มูลคันกุบบีของพรธเจ้าเห็นดอกไม้แห้งๆเต็ไมไปหมดที่ร้อยบูชาเ พรนนก็ไปปัดไปเก็บไปกวาดก็ร้องไห้แล้วก็ไปตั้งน้ําฉันน้ํำชัยไปไปเสร็จแล้วก็ข่าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญพระนรนทร์เวลานี้เป็นเวลาถวายน้ํำสงฆ์ข้าแต่พระ อ, องค์ผู้เจริญเวลานี้เป็นเวลาแห่งการแสดงธรรมพระนนจะจําได้หมดไงพูดไปก็เพ้อร้องไห้เวลานี้เป็นเวลาแห่กแงการที่ สเสด็จบินธบารเวลานี้เป็นเวลาแห่งการให้อวาทภิกษุเวลานี้เป็นเวลาแห่งกา ร, า พ, กาาการพุทธบริษัทเข้าเป้าแล้วพระนนก็ที่พระนนก็ไปตั้งน้ําฉันน้ําใช้ดูแลอุปถาประดุดดังพระบรมศาสดายัางทรงประชนอยู่อันนี้แปลว่าพระนนท่านเห็นอะไรท่านเห็นพระพุทธเจ้าไหมท่านเข้าใจไงท่านเข้าใจว่านั้นแหละ พระรัชกาบอกดูก่อนภิสูุทั้งหลายทำและ ว, วินัยที่ตถาคตสแสดงแล้วบัญญัติแล้วทำและ ว, วินัยนั้นจะเป็นศาสดาของเธอหลังการลุกไปแห่งเราสถานที่ประสูติสถานที่ตัดสรู้สถานที่สแสดงธรรมจักให้เป็นไปสถานที่เสด็จดับขันธปรินิพานและพุทธเจดีสถานที่พระบรมศาสด า, สดาทรงใช้สอยทั้งหลายจะเป็นศาสดาของเธอทั้งหลายนี่แปลว่าท่านเห็นศาสดาไหม เวลาท่านไปที่มูลคันตกดีท่านเห็นอะไรท่านเห็นพุทธโอวาสพระธรรมก็หลังไหลในกระแสะใจของท่านถามว่าเราเรามาว่าที่อุเทสิกาเจดีเนี่ยพุทธรูปเนี่ยพระธรรมไหลหลงสู่ใจไหมเราเห็นพุทธเจ้าไหมเราเห็นไหมลราที่จึงถามยอมสํารวยประเด็นก็คือว่าเห็นไหมทั้งหมดที่ถามมาทั้งหมดเนี่ยถือเครื่องสาักาละ ไปถวายพระพุทธเจ้าเป็นทานกุศลหรือเป็นศีลกุศลหรือเป็นภาวนากุศลเห็นไหมจากเล่าเรื่องเดียวเนี่ยแต่ต้องการเชื่อมโยงให้เห็นว่าพระนรธรรมพระ น, น, เน ร, ะระะเทพบาริยะและเป็นพุทธาอุปถาเป็นพระหูสูตรใครอย่าไปคิดว่าอุ้ยการถวายสการาเนี่ไม่ใช่ปฏบิบัติบูชาจะได้รู้ว่าพระละหันเขาทากันยังไงพระอาริยะทําอย่างไ ร, รเข้าใจยัง นี้ประเด็นเวลาท่านเดินเข้าไปถ้าจิตน้อมเอาเครื่องสการาเนี่ยเป็นบุญยราบของเราแล้วเราได้ถวายน้ําฉันน้ําใช้แด่พระบรมศาสดาถ้าปารพแล้วเดินไปเนี้ยเพื่อจะบูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าปารพที่จะสละจะถวายอันนี้เป็นกายกรรมตอนนั้นที่กําลังปารพไปกายกรรมเป็นทานกุศลไหมถ้าพูดไปด้วยว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญ ถ้าพเจ้าถวายเครื่องสการะนี้อมิสบูชานี้แดพระบรมศาสดาแล้วขอเราท่านทั้งหลายจงถวายจงสการะบูชาถวายเครื่องสการะนี้วิจีกรรมที่เปล่งไป น, นั้นวิจิกรรมเป็นทานกุศลยืนนิ่งๆไม่ทํากายวาจ่ายเคลื่อนไหวใจก็ยังความปราโมทปีติปัสสิสุขสมาธิตั้งขึ้น แล้วก็คิดว่าเราได้ถวายสักการะนี้แด่พระบรมศ า, ศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นพระรหันเป็นผู้ไกลจากกิเลสแล้วเป็นบุญญราพของเราแล้วเนาะเราได้ดีแล้วเนาะเราได้บูชาพระผู้มีพระภาคเจ้าผู้เลิศผู้ประเสริฐผู้สูงสุดที่สุดกว่ามนุษย์เทวดามารพรมทั้งหลายน้อมเขา้าน้อมใจเขาไปถวายอันนี้มโนกรรมเป็นทานกุศลเราได้ตรึก ระดับทานกุศลทางกายทางวาจาทางใจแบบนี้ไหมประการต่อมาแต่นี้จะพัฒนาทานกุศลสู่ศีลกุศลแล้วแต่นี้ยท่านพ่านนน์เหมือนกันน่ยท่านตามเข้าไปการเข้าไปถวายสักการะทั้งหลายท่านพ่านนน์พิจารณาว่าจะไปทําอะไรไปอุปถากใช่ไหมไปอุปถากไปทําจารีศีลไปทําเจตนาศีลตนเองเป็นสาวกของพระบรมศาสดาต้องอุปถากไปรับใช้ ถ้าท่านมีพระชนอยู่ก็ไปนวดไปฟันไปตั้งน้ำฉันน้ำใช้ไปปูอาสนะถวายไปปักกวาดกุฏิวิหารเวลาเรามาจัดความสะอาดที่อุเทสิกาเจดีเราคิดแบบนี้บ้างไหมคิดไหมกายที่กำลังทำไปเนี่ย เราคิดไหมนี่เป็นศีลของเราเราควรปฏิบัติต่อพระบรมศาสดาอย่างนี้เราเห็นศีลของเราในฐานะที่เป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาซึ่งจะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบต่อพระบรมศาสดาในการปัดก็ดีในการกวาดก็ดีในการเช็ดถูในการตั้งน้ําบูชาถวายถวายดอกไม้เครื่องสการะนี่เป็นจารีตนี่เป็นศีลของเรานี่เป็นอริยวงเป็นวงของพระอริยะเราต้องตอนนี้จิตถูกประดับไหม ตกแต่งจิตไหม αι? เป็นกุศลเป็นศีลกุศลไหม αι? กายกรรมเป็นศีลไหมเป็นแล้วยากไหม αι? ยากไหม αι? ยากยา ก, ก็เราทำอยู่แล้วก็เพียงคิดให้มันเป็นศีลีิใช่ไหม αι? ท่านทั้งหลายจงร่วมกันอุปถากปัดกวาดเช็ดถูดู แ, แล ทำสถานที่ประทับของพระบรมศาสดาให้สะอาดเราเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาเราเป็นทาสของพระผู้มีพระภาคเจ้าโอกาสที่เราจะใช้มือใช้อวัยวะแล้วก็ใช้ใจของเราเนี่ยมาทํำด้วยนอกน้อมทำถวายสการะบูชาเป็นจารีตศีอย่างนี้โอกาสเรื่องเหลือน้อยลงแล้ว เราไปทําให้กับบุคคลอื่นซึ่งไม่มีคุณเรายังทําเลยทําไมเราจะทําอุปถากบุคคลผู้มีคุณนันสูงสุดหาประมาณมีได้อย่างนี้ทําไมไม่ทําให้เต็มที่แล้วบอกกล่าวกันอย่างนี้ว่าจีกรรมเป็นศีลกุศลหรือยังวจีกรรมเป็นศีลกุศลไม่ทํากายวาจ่ายเคลื่อนไหวใจก็น้อมระลึกว่าวันนี้เราจะาถวายนอบน้อมพระพุทธเจ้าทําจารีศีลให้บริบูรณ์ทําศีลให้เต็ม ด้วยการประพฤติปฏิบัติจารีศีลของเราด้วยการปัดกวาดเช็ดถูด้วยการตั้งน้ําฉันน้ําใช้ด้วยการถวายเครื่องศกาละทั้งหลายบูชาพระบรมศาสดาเป็นจารีเป็นอริยวงเป็นบุญยราภแล้วศีลเนี้ยเป็นการปฏิบัติบูบชาแด่พระบรมศาสดาเราขนาดปฏิบัติดูแลคนอื่นนะบางทีเราไปทำโดยตัณหานะเราไปรักใครก็ไม่รู้บางทีไหมเราทําให้เขาได้อย่างอู้อย่างดีเลยอะ บีงทําให้ลูกนี่ทําแบบตั้งอกตั้งใจแต่เวลามาทําอุปถาพระศาสดาตนเองทําแบบโอ้โหจิตใจก็อยากกระด้างเราจะไม่ทําอย่างนี้นนี่เป็นศีลของเราเราจะทําด้วยความเคารพอย่างยิ่งอันนี้เป็นอภิวรรฒนานะเป็นอภิบูชานะบูชาอย่างยิ่งด้วยจะเป็นจารีศีลที่เราจะทําให้ปราณีตเราจะตั้งใจทําทุกวันเราจะถามว่าในขณะที่ทําไปเนี่ยจิตนอบน้อมไหมนอบน้อมไหมล่ะ พูดไปเบีเสร็จเนี่ยพารณาใคนก็จะเป็นศีไม่ทํากายวาจ่ายเคลื่อนไหวน้อมอะไรหรืหูชื่นใจมากเราจะประพฤติจารีสินให้บริบูรณ์ถ้าเราไม่ทําจารีศีลไม่ทําเจตนาศีลเหล่านี้ให้บริบูรณ์กุศลศีลอย่างอื่นแล้วเราจะน้อมรับฟังพุทธโอวาทอย่างไรเราไม่ได้เชื่อพุระเจ้าจริงๆเลยที่ผ่านมาเนี่ยเราเห็นพระพุทธรูปเราก็เห็นเฉยๆไปงั้นแหละ เราเห็นพุทธเจดีเราก็ไม่เคยทําอย่างเคารพลึกซึ้งอะไรหรอกจะไหว้แต่ะทีต้องหันหน้าหันหลังว่าคนอื่นเห็นดีกว่าถ้าเขาเห็นก็แทะแกล้งไหว้สวยๆงามๆถ้าไม่มีก็เห็นว่าสหวส ะ, ะงงอกบังงกก็รีบไปเราจะไม่ทําอย่างนั้นเราจะเคารพพระศาสดาของตนจริงๆเนี่ยถ้าถ้าในกรณีอย่างนี้อันนี้เขาเรียกเป็นอะไรเป็นจารีตศีลกายกรรมวรญมนโนกรรมทนิทนยามเดี๋ยวภาวนาไหว้ที่หลังแค่สองอย่างนี้ก็ยากแล้วมั้งเนี่ย ยากไม่ยากฮะหุ้ยไม่ยากเหรอยากยังไงถามว่าเคยไหว้พระทุกวันไหมเคยเคยจัดดอกไม้ถวา ย, ยไหมเคยไปปัดกวาดหิ้งผ้าไหมเออก็คิดให้เป็นแค่นั้นเองก็ปกติเราทําอยู่แล้วเอางี้ระหว่างปัดกวาดหิ้งพ้าบูชาของถวายพระเจ้ากับจัดของให้ลูกให้สามีให้ภรรยาให้คนที่เราลักเนี่ยอันไหนจัดปานกกานี้ก็กัน อะไรประณีตกว่ากันอะไรบไรรจงมากกว่ากันอะไรตั้งใจมากกว่ากันกลับไปนั่งคิดเราจะได้รู้ว่าเราเคารพพระพุทธเจ้าจริงหรือเปล่าว่าไงยอมกเกษมระหว่างบูชาบูชาสารเจ้ากับบูชาพระพุทธเจ้าอันไหนตั้งใจมากกว่ากันไปบ่นพึมพำนานกว่าอันไหน ยังได้รู้จักตัวเองสักทีว่าเออตอนนี้ตนเองเข้าถึงพระรัตนาไตรได้ยังเนี่ยบางคนยังไม่บอกว่างมงายใช่ไหมเล่าคนที่ทำงมงไงว่าทําด้วยโมหะแต่อย่างเงี้ยโมหากินไหมมีแต่ทําลายโมหะถ้าโมหากินพ้านนท์ะ ไ, ไ, ไปตําหนีผ้านนท์แล้วยุ่งนะยุ่งแล้วนะเนี่ยผ้านนเนี่ย พระนอนเป็นพุทธบูชาหักและเป็นคังบริยัตด้วยนะนั้นท่านต้องทําเราต้องทําเอาแบบอย่างพระนอนมาดูอย่าเอาแบบอย่างเราอย่าแบบอย่างเราและอีกอย่างหนึ่งนะพาระรหัสทั้งหลายท่านทำอย่างนี้กันทั้งนั้นท่านทำทำไมอะทําทําไมก็ท่านเป็นพาระรหัสแล้วท่านทําทําไมอาทําทําไม ผู้พาละหันที่ต้องทําใช่ไหมล่ะเพราะเป็นศีลของท่านจะไม่เป็นศีลของท่านศีลเป็นสาระไหมเป็นสาระถ้าเราไม่เห็นตัวศีลเนี่ยการไปทํามันจะได้แค่รูปแบบนายยอมทำรวยนะถ้าไม่เห็นกุศลศีลที่กําลังอุปถาพระพุทธเจ้าเนี่ยมันจะได้แค่รูปแบบ เช่นว่าเออไปเอาของเอาไอ้หนูเอาดอกไม้ไปไหว้พระไปลูกแล้วเขาจะเห็นศีลไหมเนี่ยเขาเห็นว่าเป็นสิ่งที่ต้องทำหรือเป็นสิ่งถูกบังคับให้ทำถูกบังคับให้ทำเพราะเขาไม่เคยคิดว่าตอนนี้ที่เขาทำเนี่ยตัวนี้กุศลศีลเกิดขึ้นเขาจะต้องทำทำไมต้องทำเพราะทำอย่างนี้เป็นการเข้าถึงพระรัตนตรัยจริงๆ คนอื่นมองก็แค่รูปแบบแต่ตัวกุศลศีลมันเกิดขึ้นประชุมในใจของเขาจริงๆก็ดูสิว่าทำไมผ้าสะผ้ า, มาหมากระสอบกระโยงปรปนมมือไปทั้งโยมที่ถือดอกมณฑรลบเนี่ยถามว่าพระบรมศาสตร์ทราบข่าวทรา บ, บรมศาสตร์สรางเขาของของอามาหรือไม่ถ้าคนมองไม่ดีโอ้นี่ยุ่งเนี่ยยุ่งพระมาหมากระสบยกมือไหวโยมเนี่ย แล้วหนักไปกว่านั้นนะมีพระเถระรูปหนึ่งนะที่ท่านประพฤติอ ร, อริวังสะธรรมเนี่ยท่านเห็นผ้าเป็นผ้าขาดขาดแล้วก็มีอุจจระของสุนัขหรือก้อนหมูหนอนเต็มไปหมดท่านไปนั่งกระโยงบะนมือเพื่อจะพิจารณาผ้า ตังสกุลเพื่อจะเอาผ้านั้นไปใช้เป็นยีวรถามว่าตอนนั้นน่ะท่านยกมือไหว้อุจระใช่ไหมไม่ใช่เลยเนะี่ยนั้นแหละคืออาริยวังเป็นวงของภาริยที่ท่านทํากันมาเพราะท่านเห็นอะไรเนะี่ยท่านเห็นพระพุทธคุณท่านเห็นพระธรรมคุณแล้วท่านน้อมกระแสสังฆคุณในใจของท่านท่านเห็นศีลของท่านถ้างมงายก็คืองมงายนะงมงายคือคนทําแบบไร้เหตุผลไม่รู้เรื่อง แต่ในพุทธบริษัทเนี่ยเป็นคนฉลาดปราดเปรื่องทั้งนั้นเลยล้วนทำแล้วเข้าใจเหตุผลและข้อมูลถ้าใครถามตอบได้ด้วยตอบได้ด้วยแต่ถ้าไม่ทำสิความเป็นพุทธบริษัทระบบท่องคุณเป็นอุบาสกเป็นอุบาสิกาทำไมไม่ทาไมไม่ประพฤติจารีเสียนกับพระศาสดาตนทำไมไม่ประพฤตไมไมพิอย่างความนอบน้อมคุณคิดว่าคุณจะเอาปรมัตถธรรมชั้นสูงหรือ แล้วปรมัตตธรรมชั้นศีลน่ะไม่สูงเลยใช่ไหมงั้นก็ต้องปฏิบัติแต่ต้องเห็นนะต้องเห็นตัวกุศลศีลนะวันนี้เกือบหกโมงเลยเลยเวลาแล้วอ้าวหมดเวลาแล้วเนี่ย ภ an ูรูธรรมพะภาวะธรรมนิพานเชนสมาโตพะภาวะธรรมโมหังนัมสมริันโนะภาวะโตสาวกสังโฆสาทางน